สวัสดีครับพี่น้องครับนี่จะเสียงจา ก, กสิทธิยาพิบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่242เรื่องทอาอธิษฐานของพระเยซูตอนที่17คําอิงวอลที่2ครับขอให้เราท่องคำอิงบอลที่2ด้วยกันนะครับเป็นวลีสั้นๆนะครับเป็นคําถูนขอสั้นๆขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ก่อนที่เข้าสู่เนื้อหานะครับพี่น้องครับผมอยากจะนำบทเพลงนำมัส ก, การบทหนึ่งครับซึ่งเขียนโดยฟรานซิสเฮเบิกเนื้อหาดังนี้นะครับโอ้ความยินดีที่เห็นพระองค์ชงครอบครององค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นที่รักของฉันทุกลิ้นกล่าวถึงพระนามของพระองค์ด้วยการนำมัส ก, การการบูชาและการเทิดพระเกียรติฟรานซิสเฮเบิกนั้นได้เขียนไว้ น่าสวยงามอย่างสวยงามต่อไปด้วยว่าถวายแด่พระองค์เป็นเสียงเดียวกันผู้เป็นจอมเจ้านายและสหายของฉันผู้ทรงกรอบกู่โลกและทรงครอบครองเราทั้งหลายขอถวายเกียรติและบูชาพระองค์จนถึงจุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องครับเนื้อหาในวันนี้จะอยู่ในมุมมองและประเด็นของความสำคัญของแผ่นดินพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราที่ เป็นส่วนตัวในกณรเดิ น, นกันครับก็จะเป็นมุมมองของแผ่นดินของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในมุมมอ ง, องของของการอยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายจากศัตรูพี่น้องครับไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์เป็นประมุขปกครองอาณาจักรหรือแผ่นดินของพระเจ้านอกจากองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ในกษัตริย์เป็น k i n g of kings ครับเป็น lord of lords เป็นจอมเจ้านายเหนือนายทั้งปวง แล้วคงจําได้นะครับตอนที่กษัตริย์ดาวิดนั้นมีพระประสงค์มีราชประสงค์ที่จะสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ยอมให้ท่านสร้างครับก็อะไรครับเพราะว่ามือของเขาเนี่ยนะครับเปื้อนโลหิตแต่แม้ว่าพระเจ้าจะระงับความยินดีปีดาจากดาวิดคงจงทราบครับว่าดาวิดเนี่ยปรารถนาที่จะสร้างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ดาวิด ก็ไม่มีโอากาสสร้างเพราะเนื่องจากเหมืองเขานั้นเพื่อนโลหิเขาผ่านสงครามามากๆพระเจ้าอนุญาตให้ใค่สร้างครับโซโลมอนในสมุดเอลในสองชมเอลบทที่เจ็ดข้อสิบสองครับพระเจ้าตรัสว่าถึงแม้เจ้าจะไม่ได้สร้างนิเวศของเราเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้าและเราจะสรางาน า, า, าจักรของเขาให้อยู่เป็นนิสิตตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่า ในพระมภีซึ่งเป็นคำของพระเจ้านั้นมีการพยากรณ์อยู่ถึงบุคคลสองบุคคลด้วยกันบุคคลแรกก็คือ at กษัตริย์โซโลมอนครับได้สร้างข้อวิหารณ์ในข้าพเจ้าบุคคลที่สองก็คือพระเยซูสึกพระเยซูศึกก็อยู่ในเนือเงื่อนไขของความพยากรหรือความสัตย์ของพระเยซูของของพระบิดาพระเจ้านี่ก็คือเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้าเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิต หมายของพระอันจากของพระเยซูนั้นก็จะต้องเป็นอันจากนิรันด์ครับและเชื้อสายของกษัต ร, ริย์ทวิตนะครับก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองนั่นเป็นพระสัญญาแห่งการจากของจอมกษัตริย์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระบุตรนิรันด์นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราพระคัมพีเดิมตลอดทั้งเล่มกล่าวถึงพระสัญญาแห่งการเสด็มาของจอมกษัตริย์ผู้นี้อิสยานั้นก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันครับว่าผู้นี้จะเป็นผู้ที่ แบกการปกครองไว้ที่บ่าของเขาจะเป็นผู้ที่มีอํานาจในแผน่นดินโลกจะเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเมสสิยาเป็นที่ปรึกษามหัจจรรต์เป็นจอมราชาคําว่าพระเมสสิยานะครับหรือในภาษากรีกเรียกว่าคริสต์นะครับแปลว่าผู้ที่ถูกเจิมผู้ที่ถูกเจิมนั่นก็คือเป็นผู้ที่รับการแต่งตั้งครับผู้ถูกเจิมคําว่าเจิมแปลว่าการแต่งตั้งผู้ที่ถูกเจิมแปลว่าผู้ที่ถูก แต่งตั้งจากพระเจ้าให้ทำแผนการของพระองค์และแผนการนี้มุ่งไปที่ตัวบุคคลนะครับไม่ใช่ในแผนการที่ปราศจากตัวบุคคลเหมือนกับความหวังของอิสราเอลความหวังของโลกนี้นะครับเขาหาตัวบุคคลอยู่แต่หาไม่พบครับแต่พระเจ้ามีบุคคลและมีแผนของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อมีแผนมีบุคคลความสำเรเกิดครับพระเยซูคริส King of Kings นั้นจะทำให้ประวัติศาสตร์สำเร็จครบบริบูรณ์เราเห็นนะในพระธรรมดานเนียนนะฮะเราเราเปิดในพระธรรมดานเนียบทที่สองนี่จะมีเรื่องของปฏิปฏิมากรรูปเขารบนะที่มีก้อนหินเนี่ยลอยมาบินมานะครับและกระทบกับปฏิมากรรูปเขารบนั้นจนปฏิปฏิมากรรูปเขารบนั้นแตกกระจายออกไปครับกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มที่ครบ นั่นเป็นการเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เสด็จมานะครับแล้วก็มีชัยเหนืออาณาจักรทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้และอาณาจักรของปวงก็ขยายใหญ่จนเต็มโลกนี้นี่คือการขยายตัวของแผ่นดินของพระเจ้านี่คือการทําให้ทาอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของมุกตั้งอยู่นั้นสําเร็จเราไม่สามารถแยกพระเยซูคริสต์ออกจากอาณาจักรของปวงได้ครับ แต่การที่เราอธิฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นก็มีความหมายว่าพร ะ, ะเยซูคริสต์ทรงครอบครองนะครับครอบครองบนแผ่นดินของพระงที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่างนั้นก็ตามครับถ้าท่านติดตามมาโดยตลอดท่านจะทราบว่าแผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่ได้ที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับจะรอครบถ้วนสมบูรณ์ทีหนึ่ก็คือการที่พระเยซูพระเยซูคริสต์นั้นเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะครับตรงนั้นแหละครับจะเป็นการเริ่มต้นอาณาจักรพันปีซึ่งเป็นอาาณจักร ที่พระเยซูจะปกครองชั่วนิรันดิ์ย่างน้อยหนึ่งพันปีนะครับแล้วก็จะมีการพิพากษาและจะมีการปกครองของพระเยซูต่อไปนิรันดิ์พี่น้องกับการอิจฉาอย่างถูกต้องไม่ได้หมายความว่าให้พระเจ้าเข้ามาในแผนการของเราแต่เป็นการทูลขอให้พระเจ้าทรงกระทําให้แผนการของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราต่างหากครับผมพูดซ้ําอีกครั้งนึงนะครับการอิจฉาอย่างถูกต้องไม่ได้หมายความว่าให้พระเจ้าเข้ามาในแผนการของเรา แต่เป็นการทูลขอมอบแผนการของเราไว้ให้กับพระเจ้าและขอให้พระเจ้าทรงกระทํำทำแผนการของพระองค์หากแผนการของข้าพระองค์กับแผนการของพระองค์ไม่เหมือนกันก็ขอให้แผนการของพระองค์ชนะขอให้แผนการของพระองค์สำเร็จขอให้แผนการขององค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหลายหลายครั้งครับที่คําธิษฐานของเราเต็มไปด้วยแผนดินของเราเองแผนการของเราเองการปกครองของเราเองตัวเองความมุ่งหวังของเราเองอนาคตของเราเองทุกอย่าง ของเราเองของเราเองของเราเองทั้งสิ้นนะครับในเช้าวันนี้เราจะต้องถ่อมใจลงอธิษฐานสารภาพบาปนะครับว่าปริมาณคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อของของเราเอง p p. เพื่อครอบครัวเราเองมากน้อยขนาดไหนแท้จริงแล้วเราควรจะต้องอธิษฐานให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั่นหมายความว่าแผนการของพระองค์สาเร็จในชีวิตของเราตั้งหาครับคําถามก็คือว่าแผนการของพระองค์จะสําเร็จในชีวิตของเราได้อย่างไร ถ้าเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่ใช้เวลาเข้าเฝ้าทูลถามอาธิษฐานวิงวอนตั้งเวลาไว้สําหรับการที่เราจะได้ยินได้ฟังเสียงของพระองค์ได้ภาวนาพระวจนะของพระเจ้าและให้พระวจนะของพระเจ้านั้นได้สําแดงน้ำมันไถของพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิตของเราแต่ละคนยองครับนี่คือสิ่งที่ได้เป็นลูกโซ่ต่อเ น, นื่องกันมานะครับเรามีพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงสมควรในการสรรเสริญเรามีภาพบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงสมควรที่พรพุ่งหลายจะสามารถเข้าไปมีความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกในขณะเดียวกันครับเราอาธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้พระนางของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนี่คือการยอมรับสัพพัญญูความยิ่งใหญ่วิธานุภาพทั้งสิ้นของพระเจ้า และขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่อย่าลืมนะครับว่าตั้งในใจของเราก่อนครับตั้งในใจของเราก่อนแล้วตั้งในใจของผู้อื่นและให้น้ำพระทยของพระองค์ที่เป็นแผ่นดินของพระองค์สำเร็จในชีวิตของพวกเราด้วยพี่น้องครับความมุ่งหวังของตัวเราเองนั้นจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อมันสอดคล้องกับแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าครับแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า เมื่อเอธิษฐานมาขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่กำลังพูดกับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเราว่าโอ้พระวิญญาณเจ้าคข้าพระวิญญาณขององค์พระเยซูคริสต์ที่สถิตในตัวข้าพระองค์เจ้าข้าขอทรงควบคุมขอทรงกระทําให้สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำเร็จในชีวิตของข้าพระองนั่นคือการที่เราจะควรปักใจในสิ่งที่เป็นของพระองค์ปักใจในราชันจักรของพระองค์อย่าไปปักใจในเนื้อหนังครับอย่าปักใจในสิ่งที่เป็นของโลก เราควรจะปักใจสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเราควรจะปักใจในราชอาจักรของพระองค์ถ้าเราทําเช่นนี้แสดงว่าเราเป็นประชากรแห่งราชอาณาจากักรนี้เราเป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์ น, นี้นะครับเราก็ได้ให้คุณค่าสิ่งที่เราควรให้คุณค่าและไม่มีมนุษย์คนใดจะฉวยเอาไปจากเราได้ไม่มีใครสามารถที่จะขโมยจากเราได้นะครับ มาสาจการเองมันก็ไม่สามารถขโมยไปได้พี่น้องครับเพราะริษฐานุภภาพของเจ้าปกปักคุ้มครองเราตลอดเวลาพี่น้องครับในโลกนี้ไม่มีประชาชาติใดที่มีความเป็นถาวรนี้รันเพราะทุกประชาชาตินั้นเต็มไปด้วยพงพันแห่งความบาปเรามีนักการเมืองที่เต็มไปด้วยการคดโกงในทุกๆชาติเพราะเขาได้ละทิ้งพระประสงค์ของพระเจ้าละทิ้งมาตรฐานของพระเจ้า ละทิ้งสีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมทำให้โลกทำให้การเมืองทำให้การปกครองของเกือบเกือบทุกประเทศในโลกนี้นั้นตกต่ำและเสื่อมถอยแล้ต่ันคนต่างรู้ดีนะครับสิ่งที่เป็นสาระสำคัญคือราชอาจักรของพระคริสต์พระประสงค์ของพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์จะไม่มีใครสามารถทำลายอาณาจักรนี้ได้หลายหลคนนะครับเวลาถูกปฏิวัติยึดอานาจเนี่ย ก็จะถูกยึดรถยึดบ้านยึดเงินในธนาคารแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆถูกยึดหมดแอ้ตัวเองก็เข้ามาอยู่ในคุกแต่คือเสเตียรไม่ใช่ครับแม้ว่าจะมีคนยึดบ้านยึดรถยึดเสื้อผ้าแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติของเราแต่ไม่มีใครสามารถยึดเอาความรักที่เรามีกับพระองค์ไปได้ไม่มีใครสามารถยึดเอาความรักที่ผมมีต่อภรรยาหรือที่เธอมีต่อผมไปได้ ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยึดเอาความรักที่ผมมีต่อลูกๆหรือความรักที่ลูกๆมีต่อผมได้คนไม่สามารถเอาความรักที่ผมมีกับประชากรของพระเจ้าหรือความรักที่คนเหล่านั้นมีต่อผมได้และที่สําคัญที่สุดเขาไม่สามารถยึดเอาความรักที่ผมมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยรอดของผมได้พวกเขาไม่อาจแตะต้องมิตรภาพของผมได้เลยเพราะว่าความรักนั้นอยู่ในใจครับความรักอยู่ในชีวิตความรักมันอยู่ในสายเลือด ความรักมันเข้าไปอยู่ในดีเอแล้วพี่น้องครับนี่คือธรรมชาติแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับศัตรูของเราศัตรูของเรานะครับกําลังจ้องที่จะเข้ามาแทกซึมจ้องที่จะทําลายความเป็นประชากรของแผ่นดินพระเจ้ามันไม่สามารถทําลายล่ากัจากได้หรอกครับมันไม่สามารถทําลายแผ่นดินของพระเจ้าได้แต่มันอาจจะเข้ามามีอิทธิพลล่อลวงตั้งกับดักเพื่อที่ให้คน ซึงอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเดินออกนอกแผ่นดินตกกับดักของมันตกในหลุมพังของมันแลเหยียบกับระเบิดของมันที่น้องครับลานจักรจะดำรงอยู่ต่อไปได้ครับและประตูแห่งนรกจะมีใครก็หาไม่ได้ที่น้องครับแต่ส่วนตัวชวนตนของเราเราต้องรักษานะครับกาดของเราต้องยกให้สูงครับป้องกันต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ที่น้องครับ ราชอาณาจักรเป็นหัวใจของสารสําคัญก่อนที่เราจะเข้าข้อพระเจ้าและทูลขอต่อพระองค์เราต้องหยุดนิ่งให้ควรถึงข้อประสงค์ของพระองค์และแผ่นดินของพระองค์ราชอาณาจักรของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราทูลขอให้พระองค์ได้รับการถวายเกียรติได้การถวายการสรรเสริญตาข้อปร ะ, ระสงค์ของพระองค์ครับพี่น้องครับทันทีที่เราตัดสินใจดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์เพื่อพระองค์เรากาลังประกาศตัวเป็นศัตรูกับอาณาจักรที่อยู่ในโลกนี้ อันจากที่ตั้งอยู่ในโลกนี้นั้นเป็นอันจากที่พระมุทีบอกว่าเป็นอันจากหึงความมืดครับ ต, ตาตานกําลังท้าทายความสามารถของผู้เชื่อในการดําเนินชีวิตอย่างความสว่างอย่างลูกของความสว่างในการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพะนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเรากําลังอธิษฐานว่าต้องให้แผ่นดินของพรองค์มาตั้งอยู่ด้วยนะครับก็การครอบครองของพรองค์นะครับการครอบครองฤทธิ์ฐานุภาพอันสูงสุดของพรองค์ปกครองชีวิตของเราครับ พอหุม้มชีวิตของเราไว้อารักขาชีวิตของเราไว้นี่นะครับจึงจะเกิดความปลอดภัยครับถ้าอาณาจักรของชาตาิไม่ถูกต่อต้านแล้วการจั ก, การะพระนามของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นไม่ได้จนกว่าเราจะย้ายออกจากอาณาจักรของความมืดเข้าสู่แผ่นดินหรืออาณาจักรของความสวรค์แผ่นดินแห่งพระบุตรพระเยซูคริสต์อันเป็นที่รักขององค์พระบิดาเจ้าในพระธรรมโคลสีบทที่หนึ่งข้อสิบสามได้กล่าวว่า เราไม่สามารถจะเคารพสักการะพนามของพระเจ้าได้จนกว่าราชอจักรของพระคิดจะเข้ามาตั้งอยู่ครับพี่น้องพี่น้องเปิดดูนะครับโควิดโคโรสีบทที่หนึ่งข้อสิบสามเราไม่สามารถที่จะเข้าเคารบสักการะพนามของพระเจ้าได้จนกว่าราชอจักรของพระองค์จะมาตั้งอยู่ในโลกนี้ในชีวิตของเราราชอาณาจักรของพระคิดจะเข้ามาไม่ได้จนกว่าน้ำมัไทยของพระองค์สำเร็จราชอาณาจักรของพระคิดจะเข้ามาไม่ได้จนกว่าเราจะเปิดใจต้อนรับและเป็นคนของแผ่นดินพระเจ้า เพราะว่าราชกิจของพระองค์กับน้ำมัไทยของพระอง์นั้นเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่เลยผมจะจบในประโยคท้ายนี้นะครับเพราะว่าราชจักรของพระองค์กับน้ำมัไทยของพระงคเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เลยอาเมน